อันภาวนาะจะว่าง่ายก็ง่ายมันง่ายตรงที่ว่าพอภาวนาเป็นนะใจมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้คราวนี้เราไม่ได้ทำอะไรล้เห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อง่ายความยากก็คือทำไงใจมันจะถอนตัวมาเป็นคนดูได้ ใ, ใจเราเป็นผู้แสดงตลอดเป็นผู้โลภโกรธหลง เป็นผู้ชอบผู้ไม่ชอบอย่างเงี้ยใจไม่มีความอยากหลักดันให้ทามันโน่นันนี้เวลาคิดถึงทำกรรมฐานก็ตั้งใจทำจงใจทำยังจงใจอยู่ยังไ ม, ไม่ได้ของดีแต่เบื้องต้นต้องจงใจก่อนจงใจปฏิบัติไปพอมันชำนาญขึ้นนะมันหยุดความจงใจ พอหมดความจงใจจิตเนี่ยถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในจิตมันส่งสมาธิที่ถูกต้องครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่อพุทธนะสอนดีบอกสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดแต่เบื้องต้นจะต้องจงใจก่อนพราะใจของเรานะั้นมันไหลตามตันหาผลักดันตลอดเวลาอยู่แล้ว ถึงเราไม่จงใจนะจิตมันก็จงใจของมันเองเพราะว่ามันถูกตันหาผลักดันให้เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันถูกตันหาผลักดันไปถูกความอยากผลักดันจิตมันหิวจิตปกติจะหิวอารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูอยากฟังอยากคิดอยากโน้นอยากนี้ตลอดเวลาอยากอยากได้อารมณ์หิว ห้ามมันไม่ได้นะแต่มันหิวแล้วเรารู้ทันมันไปมีสติรู้ทันความหิวอารมณ์มันดับชั่วคราวเดี๋ยวเกิดใหม่เกิดใหม่ดูอีกเมื่อวันพุธก็มีพระมาส่งกันบ้านโปเห็นจิตมันมีความอยากนะพออยากมันก็ดิ้นออกไปไปยึดไปยึดแล้วมก็ปรุงทํางานว่าว่ามันหิวนะ เห็นจิตมันหิวอารมณ์ตลอดวันตลอดคืนหิวอารมณ์ก็วิ่งไปจับอารมณ์จับมาได้ก็มากินมาเสพเรียกเสพอารมณ์มกินอารมณ์นะสเสวยอารมณ์อารมณ์มดีบ้างร้ายบ้างดูไปดูไปนะกระทั่งจิตที่ไม่ได้หิวอารมณ์ตัวจิตก็เป็นตัวทุกข์เนี่ยเห็น กายนี้ตัวทุกข์จิตนี้ตัวทุกข์เห็นเป็นลำดับลาดับไปความรู้ความเข้าใจอ่ะสูงสุดของความเข้าใจอยู่ตรงที่เห็นขันห้าหรือกายหรือใจโดยเฉพาะตัวจิตเป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นี่แหละเรียกว่าความรู้เรื่องทุกขสัจเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งเรื่องทุกข กานี้ใจนี้คือตัวทุกข์คนทั่วๆไปไม่เห็นคนทั่วๆไปต้องว่ามีความอยากแล้วไม่สมอยากถึง่ะทุกข์อยากได้แล้วไม่ได้ถึงจะทุกข์นักปฏิบัติเนี่ยเห็นว่าแค่จิตอยากนะจิตหิวขึ้นมาเนี่ยจิตก็ทุกข์ละพอพอนานละเอียดเข้าไปอีกนะก็จะเห็นมากขึ้นมากขึ้นใจมันปรุงอะไรนิดๆหน่อยๆนะเคลื่อนไหวภายในปรุงแต่งขึ้นมานิดหน่อยก็ทุกข์ละ จอทั้งมันไม่ปรุงอะไรนะไม่ปรุงอะไรก็เห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกทั้งๆที่ไม่ได้ปรุงอะไรไม่ได้อยากอะไรไม่ได้ยึดอะไรเลยก็ยังเป็นตัวทุกถ้าเห็นอย่างนั้นเรียกว่ามีปัญญาขั้นสูงสุดละจิตจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะไม่ยึดจนกะทังจิตยึดจิตอยู่เนี่ยอาศัยจิตดวงเดียวนี่เองไปสร้างรูปนามขันห้าใหม่ขึ้นมาได้ไปสร้างภพใหม่ขึ้นมาได้ ของพวกเรา่ะตือศีลห้าให้ได้ก็แล้วกัน <c oughs> เราศีลห้าให้ได้ก่อน <c oughs> พอได้ศีลห้าแล้วมาฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตอันแรกเลยฝึกให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆเลยฝึกแค่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสมาธินั่นเองจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ยังมีสองชนิดหนึ่งอยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆขี้เกียจขี้คลาน อันนี้เป็นสมถะเฉยๆเป็นสมาธิชนิดสงบเฉย ๆ, ๆอีกอันหนึ่งจิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูนเป็นสมาธิชนิดหนึ่งสมาธิมีสองชนิดอันที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้ใช้พักผ่อนเป็นสมถะกรรมฐานอันที่สองจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู อารมณ์นั้นเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวอารมณ์ก็มาทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจนะหมุนเวียนเข้ามาด้วยจิตก็เป็นแค่คนดูจิตแสดงบทบาทอันเดียวคือเป็นคนดนะูอันนี้เป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งอย่างแรกที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเรียกว่าอารัมมานูปนิชานนะมีชื่อเฉพาะนะว่าชื่ออารัมมนูปนิชานอารัมมะก็คืออารมณ์นั่นเองอารัมมนูปนิชาน อันนี้เป็นสมถะกรรมฐานจิตอีกชนิดหนึ่งสมาธิอีกชนิดหนึ่ ง, รงเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปรธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราต้องฝึกอย่างนี้ให้ได้นะอันแรกไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรต้องฝึกอันที่สองให้ได้อันแรกถ้าฝึกได้ก็จะเข้าฌานนะได้ฌานหนึ่งสองสาดแป ถ้าตายในฌานตายในอรูปฌปานนะไปเป็นอรูปพรหมเป็นพรหมไม่มีรูปตายในรูปฌปานก็ไปเป็นพรหมมีรูปถ้าทำอรูปฌานชำนานนะแต่ตอนตายเนี่ยไม่เข้าอารูปฌปานที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่หกชื่อปรินิมมิตวัสวัตตีพวกหนึง่งจะไปเป็นมารพวกหนึง่งจะเป็นฝ่ายเทพอยู่ในสวรรค์ชั้นเดียวกันนะ ถ้าได้ได้รูปประชาญแล้วตอนตายไม่ได้เข้ารูปประชานจะอยู่สวรรค์ชั้นที่หชื่อนิมมานรดีเทพชั้นที่ห้าเนี่ยจะชอบเนรมิตเทพชั้นที่6กเนี่ยชำนาญอารูปไม่ชอบเนรมิตอะไรเลยพวกชั้นหเนี่ยชอบได้เนรมิตแล้วมีความสุขพวกชั้นที่6กเนี่ยชอบว่างเพราะฉนั้นเวลาพวกเทพชั้นที่หต้องการวัตถุสิ่งของนะพวกชั้นที่หจะรีบมาเนรมิตให้ด้วยความมัน เนะนี่ยเขาแบ่งงานกันนะแต่แถ้าเราเข้าชานไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรามาอยู่ชั้นที่สอยู่ชั้นดุสิทธิ์่ยชั้นดุสิตเนี่ยเป็นที่ของชาวพุทธชาวพุทธจริงๆชาวพุทธก็อยู่ตั้งแต่หนะึ่งสงสสขึ้นไปพวก5้าพวกหกเนี่ยพวกเล่นฌาบนบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย หรือพระริยาบุคคลทั้งหลายนะนิยมนิยมนะนิยมไปอยู่ชั้นที่สชั้นดุสิตแต่ไม่ใช่ทุกคนไปอยู่ชั้นดุสิตบางองค์ก็อยู่ตั้งแต่ชั้นต้นต้นนี้ขึ้นไ ป, ไปเจ้าพิมพิสารได้โสดาทำบุญเยอะแยะเลยถวายวัดแห่งแรกเป็นเทวดาชั้นที่หนึ่งพตอนตายเนี่ยไม่ค่อยเอ็นจอยโดนลูกชายทรมาน นางวิสาขาเขาก็แปลกนะเป็นโสดาจะเกิดเจ็ดครั้งขอเกิดในสวรรค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วจะไปอยู่สุทธาวาสต่อชอบเกิดเพราะว่าทำบุญมาเยอะเดี๋ยวว่าบุญมันจะสูญเปล่าไปต้องไปเสวยบุญพวกเราระวังบาปเยอะนะันเสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ไม่ใช่ข้างบนนะลงล่าง น, นรกแปดชั้น บอกตายแล้วไปอยู่ไหนโอ้อยู่ชั้นสี่ดุสิตเหรอเปล่า <laughs> จิตนะเป็นตัวพาเราไปนะจิตดวงเดียวนิ่จิตเป็นเครื่องจําแนกทุกวันนี้เรามีร่างกายเป็นมนุษย์นะจิตเรายังจําแนกออกเปอีช่วงไหนเรามีความทุกข์ร่างกายเราเป็นมนุษย์นะจิตเราเป็นสันนรกลนะเรียกว่ามนุษย์นิระโย บางทีร่างกายเราก็เป็นมนุษย์นะใจเราโลภเป็นมนุษย์เปรตเรียกมนุษย์สเปโตถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมมีศีลห้าอะไรอย่างนี้นะเป็นมนุษย์มนุษย์กายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์บางคนนะชอบกายเป็นมนุษย์นะแต่ใจบูสุนทานถือศีลภาวนาอะไรอย่างนี้นะกายเป็ <S <S ในมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาเรียกมนุษย์สเทโวหรือเข้าฌานได้นะ กลายเป็นมนุษย์ใจเป็นโฟมก็ถือเป็นมนุษย์สเตโวเหมือนกันเป็นเทพเหมือนกันนะงั้นใจของเราเนี่ยจำแนกนะไม่ต้องรอตายแล้วไปเกิดหรอกในขนาเนี้ยในชีวิตเนี้ยร่างกายเป็นมนุษย์เนียใจเรายังเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนเวียนไปนะผู้มีปัญญาก็จะเห็นมันไม่ดีเลย ไม่ว่าจะเกิดมาในสภาวะอะไรนะก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นมนุษย์แต่ใจอยู่ในสันนรกก็ทุกข์นะถ้าสติปัญญามากพอเข้าฌานอยู่ยเห็นเลยเข้าฌานนี่ก็ทุกข์ในใจเป็นเทพชั้นสูงเลยเข้าฌานเป็นพลมดูแล้วมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยหรือแล้วยากอีกแล้วมันยากไปสำหรับเด็ก <laughs> สมาธิมีสองอย่างนะอย่างที่หนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสงบอยู่ในรมเดียวเช่นอยู่กับพุโทโธพุโทโธนะไม่หนีไปไหนเลยอยู่กับพุโทโธลูกเดียวเลยสบายอยู่กับพุโทโธได้ได้ความสงบถ้าสงบอยู่กับพุโทโธนะได้ถืออุปจารสมาธิไม่เข้าฌานถ้าจิตสงบอยู่กับลมหายใจนะทีแรกก็จะเห็นร่างกายมันหายใจ พอใจเริ่มสงบเนี่ยลมมันจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะแต่เดิมหายใจมันจะเลืกอยลงไปที่ท้องพอสงบแล้วลมมาตื้นมาอยู่ที่ปลายจมูกแล้วลมก็หยุดกลายเป็นแสงสว่างตัวลมหายใจนันเรียกว่าบริกรรมนิมิตตอนที่กลายเป็นแสงสว่างเรียกว่าอุขาหานิมิตถ้าจิตมันสงบอยู่กับแสงนะแล้วกำหนดให้มันกว้างกวางก็ได้นะให้มันเล็กเท่าปลายเข็มเลยก็ได้ เวลากำหนดเล็กเท่าปลายเข็มนะแสงมันจะเข้มมากเลยแสงจะเข้มข้นมากเลยเอาไว้เจาะทะลุทะลวงต่างๆ ต, นะตรงนี้จิตจะได้อุปจาระสมาธนะิแล้วก็ดวงนิมิต ท, ที่เราควบคุมได้แล้วเนี่ยเรียกว่าปฏิภาคนิมิตจิตมันจะตรึกอยู่ในดวงนิมิตเรียกวิตกจิตมันจะคเคล้าเคลียในดวงนิมิตเรีวยกว่าวิจารณ์เกิดปีติเกิดสุขเกิดความเป็นหนึ่ง ได้ประทงมาฌานต่อมาจิตมันจะฉลาดขึ้นมันเห็นว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ดวงนิมิตนี้มีมิตกวิจารฉาอยู่พอรู้ทานมิตกมิจฉามิตกมิจณ์ดับจิตทวนกระแสเขาตั้งมั่นถึงฐานอันนี้จิตจะแปลสภาพจากการจับอารมณ์นะกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นจริงๆขึ้นมาแล้วคือว่ามีเอโกที่ภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งหรือภาวะแห่งการเป็นจิตผู้รู้นั่นเอง จิตผู้รู้เนี่ยเกิดได้หลายแบบนะเราต้องมีถึงจะเอาไปทำวิปัสสนาได้แบบที่หนึ่งทาฌานมาทันะ่งจิตเป็นผู้รู้การทําฌานนั้นบางอย่างมีนิมิตบางอย่างไม่มีนิมิตอย่างการเจริญเมตตาเนี่ยไม่มีดวงแสงสว่างอะไรเจริญเมตตานะจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิเลยโลกธาตุดับเหลือแต่ตัวรู้ันเดียวเลยนะเข้าไปอรูปฌาน งั้นการทำสมาธิเพื่อความสงบเนี่ยนะมันมีหลายระดับอย่างถ้าเราพุโทโธพุโทโธหรือเราคิดพิจรารณาปฏิกูณสุภาษอะไรนี้ได้สมาธิต้นๆสมาธิตืนต้นๆถ้ายัางรู้ลมหายใจจะได้อัปปนาสมาธิชนิดรูปฌปานอย่างเจริญเมตตาอะไรเงี้ยได้สมาธิชนิดอรูปฌานไม่เท่ากันแต่สมาธิที่สำคัญนะก็คือสมาธิอันที่สอง หมายถึงฌานที่สองฌานที่สองเนี่ยจิตมันตั้งมั่นเด่นดวง้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งไม่ใช่อารมณ์เป็นหนึ่งนะนี้พอออกจากฌานเนี่ยจิตดวงนี้มจะมีลักษณะเบานุ่มนวลอ่ อ, อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงาน พระเจ้าก็สอนบอกให้น้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อหยาดทัศนะงั้นเวลาเราเข้าฌานได้ตัวรู้แล้วนะออกจากฌานมาให้น้มน้อมจิตไปเพื่อหยาดทัศนะแต่ถ้าเราเก่งในการดูจิตเราจะเจริญปัญญาในฌานเราจะเห็นว่าวิตกเกิดแล้ววิตกก็ดับวิจารเกิดวิจารก็ดับปิติเกิดปิติก็ดับสุขเกิดสุขก็ดับอุเบกขาเกิดอุเบกขาก็ดับ จิตจะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงในฌานนี่จิตเดินวิปั ส, สนาในฌานแต่ถ้าไม่ชำนาญในการดูจิตจะทำไม่ได้ก็ต้องออกจากสมาธิออกจากฌานเมื่อแล้วมาเจริญปัญญาข้างนอกนี้เรียกว่าสมาธินำปัญญาถ้าเจริญปัญญาในฌานก็เรียกสมาธิกับปัญญาควบกั น, นอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ไปได้ตัวรู้ที่เข้มแข็ง ถ้าเราเข้าชาญเป็นจนถึงฌานที่สองสี่ห้าหเจ็ดปดตั้งแต่สองขึ้นไปเนี่ยตัวรู้จะเข้มแข็งเอาแขกฌานแล้วเนี่ยตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่ได้หลายวันอยู่ได้นานเลยทรงตัวเด่นอย่อยางนะั้นแหะรู้เนื้อรู้ตัวหันซ้ายหาันขวารู้หมดเลยนะแต่ถ้าเราเข้าชาญไม่เป็นเราก็มีวิธีสร้างจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง จิตผู้รู้เนี่ยคือจิต ท, ที่มีสมาธิชนิดที่เอาไว้เดินปัญญาส่วนจิต ท, ที่สงบอยู่ในรมเดียวนิ่ ง, งๆเฉยๆเป็นสมาธิที่ชนิดเอาไว้พักผ่อนเรียกว่าอารามโนปนิชานจิต ท, ที่เป็นตัวรู้เนี่ยเป็นจิต ท, ที่มีลักขณูปนิชานอันหนึ่งทําด้วยการเข้าฌานจนถึงฌานที่สองขึ้นไปจะได้ตัวรู้ที่เข้มแข็ง แต่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นมีวิธีที่จะได้ตัวรู้อีกอย่างหนึง่งนะตัวรู้เนี่ยมันตรงข้ามกับตัวหลงตัวหลงที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงคิดนะเอาง่ายๆเลยถ้าเราอยากได้ตัวรู้อย่างนี้นะให้คอยรู้ทันจิตเวลามันเผลอไปมันไหลไปจิตของเราจะไหลไปคิดทั้งวันนะเดี๋ยวก็คิดอดีตคิดอนาคตคิดอะไรไม่สาคัญสาคัญที่รู้ว่าคิด หลวงพ่อจะพาให้ดูจิตคิดนะจะพาให้ดูจิตคิดต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดนะห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดอ่ะลองดูถูกลองคิดไหมใครคิดยกมือใครไม่คิดยกมือพก็ไม่คิดนะคิดพุทโธพุทโธอยู่ก็คิดพุทโธก็คิดนะ สังเกตไหมว่าใจมันคิดได้เองขนาดเราตั้งใจจะไม่คิดนะมันคิดได้เองเลยรู้จักจิตคิดหรือยังอย่างเมื่อกี้ตอนหลวงพ่อหยุดพูดบอกอย่าคิดนะคิดใหญ่เลยนั่นแหละลักษณะของจิตคิดต่อไปนี้ถ้าจิตคิดให้รู้ทันเมื่อไหร่รู้ทันจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดโดยอัตโนมัติเพราะจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยตรงข้ามกันเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะแต่คนละด้านด้านหัวด้านก้อยอ่ะ คลิกกันนิดเดียวเองเมื่อไร่รู้ว่าจิตชิดเมื่อนั้นจิตรู้ว่าจะเกิดจิตรู้มีลักษณะไงจิตรู้เนี่ยมันถอนตัวออกมาจากอารมณ์อารมณ์อยู่ส่วนอารมณ์จิตอยู่ส่วนจิตอย่างเวลามันรู้ร่างกายเนี่ยมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคขรุขรนกันร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูนะ ยันต้องซ้อมนะซ้อมรู้ทันจิตที่คิดบ่อยๆวิธีซ้อมก็คือให้ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทำนะถ้าอยากได้มากผลในชีวิตนี้ต้องทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งถนัดพุทโธก็พุทโธไปแล้วรู้ทันจิตถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปแล้วรู้ทันจิตถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่รู้ท้องนะรู้จิต เดินจงกรมก็เดินไปแล้วรู้ทันจิตรู้ทันจิตยังไงจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานก็รู้เช่นเรารู้ลมหายใจนะจิตไหลไปคิดเราก็รู้จิตไหลไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้เวลาดูท้องพองยุบจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องก็รู้เวลาเดินจงกรมจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าก็รู้เนรู้ทันจิตที่เคลื่อน เมื่อไรรู้ทันจิตเคลื่อนเมื่อ น, นั้นจิตรู้จะเกิดจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปส่วนใหญ่ไหลไปคิดนั่นแหละไหลไปเพ่งนั่นมีบ้างสําหรับคนทำกรรมฐานถ้าคนทั่วๆไปมันจะไม่ไหลไปเพ่งหรอกมันจะไหลไปคิดส่วนใหญ่ในชีวิตจริงๆ จ, จะไหลคิดอุตลุดเลยเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะทุกวันต้องซ้อมขอวันหนึงสิ้นาทีพอไม่เอามากวัน1นึงนาทีเท่านั้นนะที่จะพัฒนาตัวเราเอง ไหว้พระสวดมนต์ก่อนสักสองสามนาทีอย่าไหว้านานเอย่าไหวจนหมดสิบห้นาทีไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องยาวแต่ละหังสัมมาได้ไหมบทนี้นโมตาาัสสนะได้ไหมอิติปิโสได้ไหมได้ไหมอิติปิโสไม่ใช่โสปิตินะท้องคาถาอาคมอิติปิโสพระกวาร์ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไหว้พระนะไหว้พระมีการไหว้ครูซะก่อน คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะคิดแล้วใจเราสบายต่อไปนี้เราจะปฏิบัติเพื่อบูชาพระไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรทั้งสิ้นเลยการปฏิบัติของเราในอีกสิบหัวานาทีที่เหลือเนี่ยทำไปเพื่อบูชาพระเท่านั้นเองเราไหว้พระเสร็จแล้วก็ปฏิบัติบูบบชานะตรงที่เราไหวพ้พระมเป็นอมิตรบูชานะมีดอกไม้ทูบเทียนถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมือเปล่าเปล่านี้แหละ เสร็จแล้วทํากรรมฐานอย่างหนึ่งในเวลาสิบวันนาทีที่เหลือจะรู้ลมหายใจก็ได้จะพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้ไปดูเอาเองนะไปดูเอาเองจะเดินจงกรมก็ได้แต่ทํากรรมฐานแล้วรู้ทันจิตไหมนะเช่นพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดเรารู้พุโทโธพุโทโธจิตไปเพ่งจิตจนว่างๆไปแล้วเรารู้รู้ลมหายใจนะจิตหนีไปคิดก็รูนะ้หายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทัน หายใจแล้วจิตไปจ้องไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบก็ดได้จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งทองรู้ทันนะชอบแบบหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือไปนะกรรมาฐานทั้งหลายนี่แค่เปลือกทั้งนั้นเองตัวสําคัญคือรู้ทันจิตถึงจะเรียกว่าจิตตะศิกขานะจะได้สมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่เป็นผู้ดนะูเพราะนั้นคอยรู้ทันจิตไปจะขยับมือนะจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่มือก็รู้ เราจะทดสอบจิตเมื่อกี้สอนให้ดูจิตไหลไปคิดและวตาปี น, นี้จะดูจิตเพ่งบ้างคนที่หัวไม่มือไม่ขาดนะให้เพ่งหัวไม่มือตัวเองถ้าหัวไม่มือขาดก็เพ่งหัวไม่เท้านะเพ่งเลยให้จิตจ้องอยู่ที่มือเลยให้ลืมโลกไปเลยเอ้าวทดสอบฝึกนะฝึกไม่ใช่ของเล่นเล่นเแล้วพอแล้ รู้สึกไหมตอนที่เราจ้องหัวแม่มือนะใจเราไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือนะ่อย่างนี้เรียกว่าเพ่งนะต่อไปลองรู้ลมหายใจแล้วจ้องอยู่ที่ลมหายใจให้จิตแนบเข้าไปที่ลมหายใจทดลองอ้ใช้ได้ดูออกอย่างตัวที่มันไปจ้องอ่ะมันโฟกัสลงไปมันคอนเซนเทรตอ่ะ ในพจนานุกรมนะชอบแปลสมาธิว่าคอนเซนเทรตนะซึ่งอันนั้นมันคือสมาธิชนิดเพ่งนันเป็นส่วนเดียวของสมาธิมันเป็นสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์เรียกอารามโนปนิชฌานอย่างเราดูลมหายใจเนี่ยลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้แล้วเราเพ่งอยู่ที่ลมจิตเคลื่อนไปที่ลมเรียกว่าอารามโนปนิชฌานสมาธิอย่างนี้สงบอย่างเดียวไม่เกิดปัญญาดูท้องผองยุบ่อเพ่งท้องดูมือเพ่งมือดูเท้าเพ่งเท้า ทำไม่เพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งทองก็หนีไปคิดไม่ห้ามมันนะเราใช้วิธีรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันให้รู้จิตที่เคลื่อนเคลื่อนสองแบบนี่แหละใหญ่ๆหลาไหลไปคิดกับไหลไปเพง่งรู้ทันเมื่อไหร่จิตรู้จะเกิดอัตโนมัติเลยอย่าจงใจทำจิตรู้ให้เกิดจิตรู้เกิดเองถึงจะใช้ได้ นี้พอเราจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะได้ตัวรู้มาเราจําตัวนี้ได้เพราะจําตัวนี้ได้เนะี่ยจงใจทําอันนี้ผิดละตัวรู้มีสองชนิดตัวรู้ที่ถูกกับตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ถูกเนี่ยใจจะมีลักษณะเบาเรียกว่าฮูตาเบานุ่มนวลอ่อนโยนเรียกมูทุตาคล่องแคล่วว่องไวเรียกว่าป่าคุนตากระมันตาเนี่ยควรแก่การงานเป็นจิตที่ขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจขี้คลาน ซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรียกว่าอุชุกตาในขณะนั้นไม่มีราคะไม่ได้โลภอยากจะดูไม่ได้มีโทสะที่จะปฏิเสธอารมณ์อะไรไม่ฟุ้งซ่านไม่มีราคาโทสะโมหะนั่นแหละจิตรู้ก็จะมีลักษณะอย่างนี้เป็นจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ได้จงใจนี่นจิตรู้ถ้าเป็นจิตอย่างนี้ถึงจะดี แต่จิตรู้บางดวงก็มีปัญญาบางดวงไม่มีปัญญาแต่จิตรู้ที่ผิดก็มีนะจิตรู้ที่ผิดเราจงใจที่จะรู้เราตั้งใจจะรู้จิตจะแข็งแข็งนะแข็งนี่ไม่ละหูตาแล้วนะแข็งจิตจะหนักนะหนักะหนักหนักแน่นๆ่นแข็งแข็งซึมๆ ม, มทื่อนะทื่อทื่อทื่อเนี่ยเรียกว่าไม่กัมมันตะตาไม่ควรแกการงานละ่ะนะซึมๆมไปก็ใช้ไม่ไดนะ้เวลาที่พวกเรานั่งสมาธิแล้วมันซึมมันนะ เลิกสะเถ อ, อนั่นมันสมาธิที่เร็วนะเป็นมิจฉาสมาธินั่งสมาธิแล้วให้จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลโดยไม่ได้จงใจใหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะจําตะกี้ได้ไหมที่หลวงพ่อให้ไปดูลมหายใจจําความรู้สึกเมื่อกี้ได้ไหมนะเอาใหม่นะดูลมหายใจใหม่แล้วจ้องไว้ที่ลมใหม่ทดลอง จำความรู้สึกอันนี้ไว้นะสําหรับคนที่ทํานะบางคนไม่ทำนะต่อไปนี้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้จ้องที่ลมหายใจนะแต่เห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยหายใจเห็นด้วยใจที่สบายๆเราเห็นร่างกายนี้หายใจด้วยใจที่สบายๆไม่ใช่ดูที่ลมนะเห็นทั้งตัวเนี่ยมันหายใจด้วยใจที่สบายๆลองดู เห็นร่างกายหายใจด้วยใจสบายเอาละพอจําได้ไหมความรู้สึกอันนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกันตรงที่เราไปจ้องลมหายใจนะจิตทื่อๆนะนั่นเป็นมิจฉาสมาธินะตรงที่เราหายใจไปใจเราเป็นแค่คนดูนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกไปนะแล้วจะได้สมาธิที่ดีใจจะโปร่งโล่งเบารู้สึกไหมมันเบากว่ากันถ้าจ้องลมนะใจจะทื่อๆเลยจ้อง เนี่ยจ้องแล้วใจจะทื่อๆเวลาใจทื่อๆเนี่ยจะตาทื่อๆเนี่ยถ้าเรารู้เห็นร่างกายหายใจนะใจเราสบายนะาเรารู้เนี่ย ร, รู้ตัวสบายๆซ้อมไหมนะเพื่อเราจะได้ตัวรู้ที่สบายนะงั้นแบ่งเวลาไว้นะวันหนึ่งสิบหนาทีไหว้พระสวดมนต์เสร็จเห็นร่างกายมันหายใจไป หรืถ้าจะเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินไปดูมันทั้งตัวนะมันย่าไปเพ่งอยู่ที่เท้าเนะี่ยดูสบายๆไปทำกรรมฐานอย่างหนึง่งนะแล้วก็รู้สึกไปสบายๆนะทาทุกวันทุกวันนะนะหรือถ้าถานัดดูจิตก็อาจจะพุโทโธพุโทโธไปแล้วรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนความจริงไม่ว่าทํากรรมฐานอะไรก็เห็นจิตเคลื่อนได้นะอย่างเรารู้ตัวสบายๆอย่อย่างเงี้ยทีจก็หนีวิคิดให้รู้ทัน จิตก็ไหลไปเพ่งให้รู้ทันนะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะได้จิตรู้ที่ดีจิตรู้ที่สบายๆเป็นการซ้อมนะลองซ้อมดูนะเราจะต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ซะ ก, ก่อนเราถึงจะเจริญปัญญาได้แต่ผู้รู้ที่ผิดก็มีคือเราเราเคยฝึกบ่อยๆจนกระทั่งมันรู้ตัวขึ้นมาแล้วมันจงใจรู้จงใจรู้เนี่ยตัวรู้นี้จะแข็ง แข็งแข็งแน่นแนะไม่ใช่ตัวรู้เบานะรู้สบายสบายแต่ตัวรู้ที่ถูกนะนานๆเกิดทีอย่าตกใจ น, ะนานๆนจะเกิดสักทีหนึ่งส่วนใหญ่มันก็จงใจจะรู้มันก็จะแน่นๆนะ่ฝึกไปนะจนจะทั้งใจของเราเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภที่จะรู้ไม่เกลียดที่จะรู้ไม่ฟุ้งซ่านหรือมลม เราก็จะมีจิตที่พร้อมแล้วสาหรับการเจริญปัญญานะต้องซ้อมนะวันนี้สอนเมื่อเช้าสอนเรื่องศีลแล้วนะให้รู้ทันกิเลสทั้งหลายไปเรืนนะ่อยศีลจะมาตอนจะมาฝึกสมาธิที่ถูกเนะี่ยให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันทํากรรมฐานที่สบายๆอย่าไปเพ่งมันทํากรรมฐานสบายๆเห็นร่างกายหายใจหรือเห็นร่างกายเดินเย่งี้ แล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้นะฝึกนี้นะแล้วจะได้สมาธิได้สมาธิแล้วถึงจะเดินปัญญาต่อเอาไว้เทศต่อพรุ่งนี้นะตรวจกันบ้านเชิญหลวงพ่อให้ไปท่องพุทธโธ ร, รู้ทันใช่ไหมคะอืก็รู้บ้างแทรกแซงบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลายมาเป็นเพ่งเพอะอยู่ใกล้หลวงพ่ออืม ใครเจอหลวงพ่อก็เพ่งเท่านั้นนะให้เข้าบ้านหายใจอย่างสบายให้ใจอย่างมีความสุขหาใจแล้วรู้สึกตัวอหลวงพ่อคะสองวันหลังวันนี้ปวดหัวน้อยลงอืเบาขึ้นแต่เมื่อเช้านี้รอบแรกที่หลวงพ่อบรรยายท่านนะคะโอ้หน่าฟังหลวงพ่อในรู้ตัวไปด้วยตลอดเวลาออหลวงพ่อคะ อยากทราบเทคนิควิธีที่จะทำให้จิตไม่รวบจิตเลยนะไม่รวบจิตรวบนี่เป็นผลนะถ้ารู้ทันเหตุนะก็ไม่มีผลเหตุคืออะไรคะเหตุคือโลภโลภยังไม่รู้เลยว่าตัวเองโลภอยากปฏิบัติถึงเวลาแล้วปฏิบัติซะหน่อยอ๋อใช่ๆช่เลยอ่ะเนี่ยแหละเห็นไหมพอพอเดินเดินดีกว่าแล้วก็เดินเดินไปเดี๋ยวจะรวบสิ มันโลภต้องรู้ทันโลภก่อนถ้าทําลายทําลายต้นเหตุไม่ใช่ทําลายปลายเหตุไอการรวบเข้ามานั้นเป็นปลายเหตุะเป็นผลทําลายไม่ได้หลวงพ่อคะดังนั้นเวลาที่เราบอกกับตัวเราเองว่าเอ๊ะเดินซะหน่อยนี่คือโลภแล้วให้รู้ทันใจอยากเดินแล้วก็เดินนะไม่ใช่หุ่ยใจอยากเดินนอนดีกว่าเออยังงั้นถูกกิเลสหลอกเลยหลวงพ่อคะอีกคําถามนึงค่ะ ตะกี้นี้ที่บอกว่าให้ดูลมที่เราหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็พอต่อมาว่าให้ดูลมทั้งตัวว่ามันไม่ใช่ดูลมดู ร, ดร่างกายที่หายใจร่างกายที่หายใจประทานโทษค่ะดูร่างกายที่หายใจทั้งตัวนั้นเนี่ยโยมส่วนมากไม่รู้สึกทั้งตัวนะคะแต่จะรู้สึกส่วนใหญ่ที่แขนสองข้างเอ่อย่างนั้นมันยังรวบเข้ามาค่ะนะยางเพ่งเก่งอยู่ งั้นทำตัวให้สบายทําใจให้กว้างทำทำทำใจให้กว้าง ท, ท, ทใใําทยังไงฮะหลวงพ่อใจกว้างๆอย่าโลภรู้สึกตัวสบายๆแต่ไม่ต้องถึงก็ร้องเพลงนะแล้วแปลกนะคะเมื่อเช้าตอนที่ฟังหลวงพ่ออยู่แล้วบอกว่าปวดซิะ่ะปวดตรงเนี้ยนะค ะ, ะตึงตรงเนี้ยแล้วพอระคังหรืออะไรก็ดังขึ้นอะ่ะอืหายเลยอเราเลิกเพลงเราจะเตรียมกินข้าวละ ไ, ไม่สะาด ยังไงก็ไปหัดดูเอะกลับแมรรการหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ไปแกะปมที่ในใจตอนนี้เริ่มคลายไปเยอะแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อจะให้การบ้านให้รู้ทันนะจิตไม่ถึงฐานก็รู้นะเจ้าค่ะถ้าถึงก็รู้ถ้าไม่ถึงก็รู้นะใครรู้ทันจิตไวมเจ้าค่ะตอนนี้จิตแน่นขึ้นมาไหมเจ้าค่ะเออถ้าจิตแน่นขึ้นมาก็ให้รู้เนี่ยเราโลภแล้วเราตั้งใจรู้ตัวมากไปมันจะแน่น รู้ตัวให้มันสบายยิ้มหวานหวานเจ้าค่ะทำไมต้องยิ้มก่อนเวลาเรายิ้มใจมันผ่อนคลายนะทุกคนลองยิ้มหวานรู้สึกไหมใจคลายออกแล้วรู้สึกไหมเจ้าค่ะใจคลายใจมีความสุขความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิแม่กุมกามฐานหลวงพ่อ น, นี้หมูมากเลยยิ้มหวานหวาน <laughs> แต่ไม่ใช่ยิ้มอย่างนี้นะ <laughs> อย่างนี้ไม่ได้เลยนะมันไม่มีความสุข ให้รู้ทันจิตถึงฐานก็รู้จิตไปที่อื่นก็รู้นะะไปฝึกตัวนี้ดีขึ้นแล้วละ่ะดูเอาขียังว่าความเป็นเรายังอยู่ยเออดีอ ย, ย่างไม่ดีตัวนี้สำคัญนะพวกเราบางคนไปพานานะไปบางที่นะเขาพยากรให้นี่ได้โสดานี่ได้นุน่นได้นี่นี่ได้อนาคาละนะอีกวันนึงดา่าอาจารย์ขึ้นมาโอ้ตกลงไปแล้วนี่ไม่ถึงอีกแล้วขึ้นขึ้นลงลง ถ้าบร <to> <the> <the> <sous> ิจาคเยอะหน่อยก็เป็นพระอรหันต์นี่ไม่โลภเนี่ยเขาหลอกเขาใครดูนะจิตจิตไม่ต้องตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับนะจิตใจมันห่อเหี่ยวอะค่ะจิตมันห่อเหี่ยวให้รู้เอาให้รู้ซื้อๆนี่ยังอยากแก้อยู่ไหม แล้วมันก็มันตึงๆนั่นแน่นมันอยากพยายามแก้เพืตึง <c oughs> ห่อเหี่ยวก็รู้ว่าห่อเหี่ยวจิตเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องดีก็ได้อเช่นก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็สองวันหลังนี้ใช้ร่างกายดูลมหายใจะคะ่ะก็รู้สึสกสบดสงบขึ้นดีขึ้นคะ่ะ การพนานาเราไม่แต่งจิตนะแต่จิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้าแต่งจิตมันไม่ใช่ของจริงเราต้องการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเมื่อนรูปเป็นยังไงเรารู้ความรู้สึกทั้งหลายเป็นยังไงเรารู้เราไม่แต่งถ้าแต่งแล้วไม่เชื่อของจริงพระอาจารย์คะหนูอยู่กับลมตลอดเลยพออยู่แล้วมันก็จะคลาย หนูเด ว, ว่าสมัยก่อนอะ่ะหนูฝึกกสินลมโดยที่หนูไม่รู้ตัวอือรู้ลมนะลมเป็นกรรมฐานที่กว้างกวางมากเลยพลิกเป็นกสินก็ได้นะเพราะฉนั้นมันคลิกไปเล่นอภินญยัตได้มันไปจากกสินเนะี่ยกสินเล่นลมเนี่ยจะได้กสินอะไรบ้างได้กสินลมได้กระสินแสงนะได้ดูความว่างนะเพ่งความว่างเล่นได้หลายอย่าง หรือเห็นร่างกายที่หายใจใได้กสินดินนะเล่นได้หลายอย่างนะลมลมนี่ใช้ทําสมาธิได้ทุกระดับเนะย้วเวนอรูปนั่นนั้นได้หมดชนานาญลมหายใจเนี่ยจเจริญปัญญาได้3มแบบนะทําสมาธิแล้วจเจริญปัญญาก็ได้สมาธิก็ปัญญาควบกันก็ได้ทำสมาธิก่อนออกจากสมาธิแล้วมาจเจริญปัญญาก็ไดนะ้เล่นได้เยอะเลยลม รู้ลมหายใจเนี่ยทำสติปัฏฐานได้ครอบกลุ่มทั้งสี่สติปัฏฐานด้วยนะดูกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้ น, า น, า น, า น, นั่นนาะปัญสตินะั่นนะถ้าแตกฉานจริงต้องไม่มีหรอกคนที่จะได้ทั้งหมดนะต้องระดับพระพุทธเจ้าเรนะวกเราสาวกก็จะได้ได้ส่วนหนึ่งอนะไรเงี้ยถ้าได้แล้วก็กว้างกวางมากเลยอย่าไปเพ่งลมนะแค่เห็นร่างกายหายใจไปสบายสบาย แล้วก็คอยรู้ทันนะใจหนีไปก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้หนูรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ห่างไปมากๆขึ้นคมากขึ้นกว่าเดิมอมืเราไม่จงใจให้ห่างนะถ้าจงใจให้ห่างเนี่ยผิดห่างก็ห่างเองวิธีทำให้ห่างมีสองอย่างหนึ่งดึงจิตออกมาก็อสองดันอารมณ์ออกไปดันโลกให้ห่างออกไปถ้าทาใจจะแน่น เรียนจะหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อ น, นะในเวลาสั้นจะเห็นพัฒนาการแต่บางคนดื้อ น, นะบอกให้ทําอย่างนี้กูจะทําอย่างนี้มีนะตั้งแต่หลวงพ่ออยู่เมืองกาลมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าดูจิตไปเลยไม่ได้หรอกผมต้องทําฌานก่อนบอกเฮ้ยดูจิตไปเถอะเดี๋ยวฌานมาทีหลังไม่ได้หรอกครับต้องทําฌานก่อนถึงจะดูจิตได้เออไปทํานะไป ลงตกอ่ะสอนไม่ฟังมันบอกเลยนะว่าไอ้หนุ่มนะ่ะบอกเลยถ้าผมทำได้เมื่อไหร่ผมจะมาส่งกันบ้านชาตินี้คงไม่ได้เจอกัน <laughs> จนป่านนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่มาเลยมันดือ้อถ้าสอนให้ทาอะไรล้วก็ทำทำไปนะแปบ๊บเดียวก็เป็นล้วเดือนสองเดือนก็เป็นแล้วนี่ก็ดื้อคนหนึงแหละ <laughs> แต่ยอมแพ้แล้วค่ะ <c oughs> เออนั่นแหลยะยอมแพ้แล้วมันดีขึ้น <c oughs> เห็นไหมล่ะดูมากเลยคนเนี้ยอันดับต้นๆเลยนะในยุทธจักร <c oughs> สาธุดีใจด้วยส่งกันบ้านพบรอบหนึ่งปีคะ่ะหลวงพ่อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทำยังไงรู้ค่ะเออรู้แ ร, รู้ไหม <c oughs> ไม่รู้เลยเตรียมค่คำพูดอย่างเดียว <c oughs> ออว่ามาก็ หลวงพ่อบอกให้ส่งกับบ้านไีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ทําต่อไปก็ทําแล้วก็มีการปรับเรื่องการทําในรูปแบบรู้สึกว่ามันก็สบายขึ้นครับรู้สึกไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมค่ะสังเกตไหมโลกมันห่างออกไปเห็นค่ะเห็นไหมกายกับใจโคนละอันเห็นค่ะเออนะเห็นไหมความรู้สึกกับใจเขาโคนละอันเห็นค่ะเห็นไหมทั้งละทั้งหลาย ท, ทั้งปวงนั้นบังคับไม่ได้ใช่ค่ะจบอทําต่อ าการนมัสการหลวงพ่อครับปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อมายังไม่เคยส่งการบ้านเลยครับคือคือผมผมนี่เวลาปฏิบัติเนี่ยใช้กายเป็นวิหารละทมแล้วก็เวลาถ้าเป็นกิเลสอย่างกลางๆเนี่ยอย่างนิวรณ์เนี่ยจะเห็นแต่ผัสสะแรงๆเนี่ยอย่างโทสะเนี่ยมันไม่ค่อยจะเห็นนะครับ้าวไงเป็นงั้นล่ะ ไม่ไม่ทราบสาเหตุพ่ออะไรครับหลวง่าอยากให้หลวงพ่อชี้แน่ครับเป็นเรื่องแปลกมากเลยปกติเขาต้องเห็นของหยาบก่อนนะครับนี่เป็นเห็นของกลางๆเพราะว่าถูกมันครอบไปเลยหรือเปล่าคือถ้าเป็นเป็นอารมณ์หงุดหงิดเล็กน้อยจะเห็นือลมพัดมาเย็นเย็นรู้สึกสบายนี่เห็นโอ้ย่างงั้นใช่ได้แต่ว่าเวลาเวลาภาสะแรงๆอย่างเช่นในหน้าที่การงานที่มีอะไรมากระทบแรงๆเนี่ย กับไม่เห็นกว่าจะเห็นก็ผ่านไปถึงเย็นอะไรเงี้ยบางทีแต่ละคนนะมันมีจุดอ่อนนะอย่างเราทํางานเนี่ยบางทีผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่กระทบงานอย่างเดียวนะมันกระทบเซลล์ด้วยนะนกระทบเซลล์เรามันทนไม่ได้มันแพ้กันนะค่อยๆหัดไปอย่างเราจริงจังกับงานมากนะอะไรมากระทบนิดนึงเราเราทนไม่ได้เลยเราไม่ดูแลคราวนี้เราจะลุยแล้วเขาเรียกว่ามันแพ้ทางมวย ถ้าเจอไอ้เรื่องนี้ยจอดถ้าเรื่องอื่นสู้ได้นะแต่ละคนมันจะมีตัวที่แพ้นะถ้าอย่า ง, งนี้หลวงพอมีอะไรชี้แนะไหมครับทํางานก็ตั้งใจทําไปนะแต่อย่าจริงจังให้มันมากนะักเพอเราจริงจังมากมันหมกมุ่นนะ่ะมันดูไม่ได้แนละครับสา ร, สารเตือนที่แล้วเคยมาที่นี่มามาเรียนกับหลวงพ่ออยากจะขอหลวงพ่อ สดว่าเขาปฏิบัติตอนนี้ปฏิบัติยังไงครับหลวงพ่อครับสังเกตไหมว่าสามเดือนก่อนกับตอนเนี้ยจิตเหมือนกันหรือต่างกันเห็นไหมว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับใจก็คนละอันกันมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถนัดดูกายหรือดูจิตอะถนัดอะไรมากกว่ากัน ดูจิตครับหลวงพอ่อถ้าดูจิตก็อย่าไปจ้องมั น, นให้ความรู้สึกมันเกิดแล้วค่อยรว้ถ้าเราจ้องมันจะว่างถ้าดูจิตแล้วจิตว่างเนี่ยเรียกว่าดูไม่เป็นล ะ, ะแกเป็นเพ่งจิตอย่าไปให้จิตว่างจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็สุขเดียเด๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวก็โลบก็กลธก็หลงเห็นเขาเปลี่ยนไปเรื่อยนะเราดูสบายๆใช้ได้นะไปทําต่อ นวัส ก, การหลวงพ่อครับเมื่อปีที่แล้วครับหลวงพ่อบอกว่ายังติดเพ่งอยู่ครับอ ม, มันก็เห็นได้มากขึ้นตอนที่มันเริ่มถลําลงไปเพ่งอย่างเงี้ยครับถ้ารู้นะ้ํามันก็ไม่เพ่งอ่ะครับลดลงลดลงแล้วมันมันก็หลงไปครับเอา ค, คืออย่างเงี้ยตรงที่เพ่งอ่ะไม่ค่อยหลงอ่ะมันหลงเพ่งอย่างเดียวมันนิ่งนิ่งหรือครับไป ตรงที่เราไม่เพ่งนะใจมันจะเคลื่อนไหวเป็นปกติเนื่งจะหนีเร็วนิวิธีป้องกันก็คือหากรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เนีเวลาหนีจะได้ไม่หนีนานเช่นพุทโธพุทโธเล่นเล่นแล้วใจหนีไปจากพุทโธเรารู้ทันอย่างเงี้ยจะทำให้ไม่หลงนานให้รู้เล่นๆ่นทำใจให้สบายแล้วอยู่กับเครื่องอยู่ไปมันจะหนีง่ายนะ แล้วหนีเรารู้เอาหนีเรารู้เอาดีกว่าบังคับไว้ไม่ให้หนีเลยหนีไปแล้วรู้หนีไปแล้วรู้ฝึกอย่างนี้นะครับไม่ใช่ฝึกไม่ให้หนีถ้าฝึกไม่ให้หนีจะแน่นจะเพ่งจะถลําลงไปครับถ้าเราฝึกแล้วหนีเรารู้หนีเรารูเนี่ยพอนานๆไปนะ้ำมันชำนาญจิตกรดิกคลิกหนึ่งก็เห็นแล้วคลิกหนึ่งก็เห็นแล้วมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ได้เจตนา ปฏิบัติมาหลายปีแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วก็เพิ่งมาเพียรตอนช่วงหลังค่ะเ <The> <laughs> พิ่กอก็สวดมนต์แล้วก็ไหว้พระแล้วก็ทําทสมาธิทุกคืนเกือบทุกคืนก่อนนอนนะคะ hmm. แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะถนัดจะถนัดในการดูจิตอะคะ่ะแล้วก็เริ่มเห็นกายบ้าง hmm. แล้วก็ช่วงหลังอะคะ่ะหลวงพ่อกอ็จะเห็นว่ากายกับจิตอะคะ่ะ hmm. มันลิงก์กัน hmm. บางทีแบบเราเห็นจิตไม่ทนันแต่แบบ รู้สึกว่าแบบอย่างหน้าบางทีมันมันเกร็งหรือว่ามันเคร่งก็เริ่มรู้ว่าแบบเฮ้ยเราโกรธหรือว่าเรากําลังเครียดอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะดูงั้นก็ได้ถ้าดูจิตได้ก็ดูนะดูไม่ได้ก็ดูกายหนูติดอะไรตรงไหนไหมคะหลวงพ่อทุกวันแล้วทําในรูปแบบไปเรื่อยอย่าหวังว่าจะสงบนะแล้วมันจะสงบง่ายถ้าหวังว่าจะดีมันไม่ดีหรอกทำทุกวันสงบก็ทําไม่สงบก็ทํำนะแล้วมันจะดี ขันมันเริ่มแยกยังดูออกไหมดูไม่ออกค่ะเห็นไหมว่ากายกับใจคูลานไม่แน่ใจว่ามันเห็นไหมไอตัวที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นตัวที่ถูกรู้อยู่ค่ะเห็นไหมตัวเนี่ยมันถูกรู้ค่ะเนี่ยขันมันแยกนะอ๋อค่ะมันไม่ใช่แยกไปอยู่ต่างหากหรอกไม่ใช่ร่างกายไปอยู่โน้นจิตหนีไปอยู่นี่นะไออย่างนั้นไม่ให้ราทับก่อนเลยค่อยแยกมายืนดู ่าาการนมัสการหลวงพอ่อค่ะหนูฟังหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ก็ลองลองดูทั้งจิตแล้วก็กายอย่างวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูคิดเยอะฟุ้งมากเลยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอระหว่างที่ฟังหลวงพ่อก็จะไปไปแล้วก็กลับมาฟังว่างไปอย่างเงี้ยตลอดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะค่ะดู ต, ตัวเองรู้สึกใจมันคิดตลอดมันไม่หยุดหยุดไม่ได้เลยค่ะไม่หยุดไม่ไมีใครหยุดยยหรอก จิตมีหน้าที่คิดน ะ, ะไงเขาก็ต้องคิดก็เลยสลับมาดูกายด้วยแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูดูเวลาที่มันเหนือ่อยเราก็ทาําสมถะกลับมาเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆจนะไปจ้องลมนะจ้องลมแล้วมันอึดอัดคนะ่ะถ้าถ้าหนูตั้งใจที่จะทําสมาธิเนี่ยหนูก็ทําไม่ได้ก็คือ ม, มันก็ยังมีหลุดไปอีกค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่หลวงพ่อสอนว่าให้ดูถังร่างกาย<ม>ใช่ไหมคะรู้สึกว่าน่าน่าจะ เออ<า>อย่างนั้นง่ายไป้องทาน ะ, ค, ะคนฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วชีวิตจิตใจเปลี่ยนเนี่ยนับไม่ท้วนเลยเยอะมากเลยแต่ไม่ได้ฟังเพราะโลภนะจะอยากรู้โน้นรู้นี่อะไรเงี้ยฟังแล้วก็หัดสังเกตกายสังเกตใจไปนะในเวลาไม่นานชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนเอาเชิญกลับบ้าน